เป็นไงสบายดาียังอยู่ที่สงขาอยู่อืมอหัดให ญ, หใหญ่ทำงานธนาคา ร, รคาลาแล้ว嘛ใช่การเสียลดกานาารกาเสยที่หลวงตาเคยเล่าว่าลดเสียนยอมไปช่วยอืมพอดีมากราบมนหลวง พี่เขาบอกว่าให้มากัาบขึ้นจานกันมช่เลยชวนกันมาในกราบเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้ยแล้วนต้องรอต้องแปดชั่วโมงเลยใช่ค่ะประมาณนั้นด้โอ้โหทำมายืนรอแลอวมีที่นั่งรอกันนะสองแบบเยืนนี่นั่งน่เดินไปถนนวนไปวนไปกวรจะเข้าไปข้างในได้เลยต้องหลายชั่วโมงต้องตั้งงดีรอบนี้ไปได้นั่งเลย ไม่เซลอนด้วยอก็ครั้งเดียวนะก็ดีความกตัญญูนะเราเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นน่างเงาของความดีของจิตใจคนเราจะดีมันก็ต้องรู้จักบุญคุณ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 ส่งไปสอนถึงสวรรค์สอนให้ได้บรรลุเป็นพระสูดาบัแ <c oughs> พระพุทธเจา้าทรงเห็นความสำคัญของความกระตันยูกรเตเวตี่อผู้มีพระคุณทั้งหลายความกระตันยูจะทำให้จิตใจของคนเรามีความอ่อนโยนไม่มีความแข็งกระด้าง มีเสียสละไม่เห็นแก่ตัวดันนก็ขอให้เราพยายามทดแทนบุญคุณผู้มีอุปราคุณทั้งหลายมันทำให้จิตใจเรามีความสุขจิตใจเราก็จะไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครทำให้เราทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ ทำให้เราภาวนาาได้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีจิตใจพวกเราทุกคนต้องมีบุญต้องอาศัยบุญบุญเป็นเหมือนน้ามันเป็นเหมือนสเบวพวกเราเป็นเหมือนพวกอยังเดินทางหลงทางอยู่กำลังหาทางกลับบ้านกัน ถ้าไม่มีสเสบียงไม่มีบุญก็จะไม่มีกําลังที่จะพาให้เราไปถึงบ้านของเราได้บ้านของเราบ้านของจิตใจก็คือพระนิพพานนองบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนักบาศ ท, ทั้งหลายท่านทําบุญกันดังนั้นท่านไม่ทําบาศ ท่านเสียสละท่านไม่เห็นแก่ตัวท่านมีความขยันท่านไม่มีความเกลียดก้านนนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะไปผู้ที่จะทำบุญได้ต้องมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เกลียดก้านมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน ขันติบารมีคนเราจะทำความดีได้มันต้องมีขันติถ้าคนที่ไม่อยากจะทำความดีให้เขาไปถนนั่งรอแปดชั่วโมงเขาคงไม่ไปกันนะไปนอนดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าแต่ผลมันต่างกันการทำความดี ความตั้งใจจะทำความดีความอดทนอันนี้จะเป็นตัวที่จะชุบผลักดันให้จิตของเรานั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้มีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความขยนันมีความอดทนที่จะทำสิ่งที่ดีต่างๆ เาความดีต่างๆนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานได้ไปถึงบ้านหลุดพ้นจากการบินไหวตายเกิดถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความขยันที่จะทำบุญมีความอดทนอุปสรรคต่างๆในการที่เราต้องทำบุญ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 ต่อให้มันมีมากอีกสิบเท่าร้อยเท่ามันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับร่างกายทำได้เท่ากันมีพอมีปัจจัยสี่พอแล้วอย่างที่ในหลงสั้นสอนสเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไม่ให้เราโล ก, กันเพราะความโลกจะทำให้เราทุกข์กันจะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขน่าจะทำให้เราวุ่นวายกันทำให้เราต้องมาแข่งแย่งชิงดีกัน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 ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราไม่ต้องเป็นของแพงของที่ใช้ประโยชน์ได้ก็พอเสื้อผ้าจะราคาแพงหรือราคาถูกมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันมีไว้สำหรับสวมใส่บอกรักษาร่างกายให้ให้ปลอดภัยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือปลอดภัยจากมลพิษอ์กาศต่อยต่าง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 จะไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ก, ก็รักษาได้รักษาโรงพยาบาลเอกอชนก็รักษาได้ถ้ามันหายมันก็หายเหมือนกันถ้ามันตายมันก็ตายเหมือนกันเราอย่าไปกังวลกับเรื่องปัจจัยสิ่มากเกินเกินไปเพราะมันจะทําให้เราไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างอื่นทําประโยชน์ ทำบุญทำกุศลต่างๆที่เรายังต้องทำกันอพอเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วมีเหลือเราก็มีโอกาสได้ทำทานเราก็เอาไปทำทานกันเอาไปช่วยเหลือกันคนเราถ้าอยู่ร่วมกันในการทำทานให้แก่กันและกันมันจะทำให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ดูดาย คอยดูแลกันช่วยเหลือกันเพราะคนเราเกิดมามันก็มีบุญมีกรรมมาต่างกันบางคนมีบุญม า, มากก็มีความสุขสบายมากบางคนมีกรรมมากก็ทุกข์ยากลาบากคนที่มีบุญมากก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่มีกรรมมากมันจะทำให้เขาจะได้ไม่ต้องไปกระทำกรรมใหม่ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาก็ต้องไป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 เพื่อเขาจะได้หาหาหาอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเขาเองไม่ต้องมาคอยขอเรายังมีคำภาษิตของจีนนั้นก็บอกว่าอย่าให้ปลาเพียงอย่างเดียวให้ปาลาเราก็ต้องสอนวิธีหาปลาให้เขาด้วยพอเมื่อเขาหาปลาได้แล้วต่อไปเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาจากเราถ้าเราไม่สอนวิธีหาปลาให้เขา ออกปลาที่เราให้ไปหมดเขาก็ต้องมาขอเราใหม่ให้ข้าวของเงินทองให้ปัจจัยสี่ก็สำคัญจำเป็นเพราะเขาก็ต้องอาศัยแต่เราก็ควรที่จะให้วิชาความรู้ต่างๆเพื่อให้เขาได้ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเช่นให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนอะไรทำนองนี้ ย า, ยากจนพ่อแม่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียให้ไปเรียนหนังสือให้ไปมีวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มาประกอบสั ม, มาชีพไม่ต้องเป็นมิจฉาชีพผู้ที่เป็นมิจฉาชีพนีส่วนใหญ่ก็มาจากความไม่มีความรู้นั่นเองไม่มีความรู้ที่จะทำมากินเลี้ยงชีพได้หรือไม่เช่นนั้นก็มาจากความเกลียดคร้าน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 ก็ได้อะไรมาแล้วเราก็ต้องรักต้องหวงต้องห่วงต้องคอยกังวลต้องคอยดูแลรักษาแล้วไม่ว่าจะดูแลให้ดีอย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งก็ต้องพัดพาคจากกันเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยง <c oughs> มีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อย เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยู่กับความสงบอยู่เฉยๆเนี่ยดีแล้วจิตสงบนิ่งสบายนี่ดีแล้วแต่บางทีพอเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปไปอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่โลภอยู่กับความไม่อยากดีกว่า ถ้ามีปัญญาก็จะคอยกาจัดความโลภความอยากต่างๆที่โผลขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดแล้วจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตก็เป็นนิพพานขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ จริงๆมันไม่ยากเลยถ้าเราทํากันจริงๆเพียงแต่ว่าเราถูก ก, กิเลสมันหลอกให้เราไปทําเรื่องอย่างอื่นกันเสียมากกว่าก็เลยไม่ได้มาทำํำใจให้สงบ ก, กันอย่างเต็มที่เพราะการจะทําใจให้สงบนี้ต้องสละทุกอย่างต้องตัดทุกอย่างไปต้องไปอยู่คนเดียวะ แไปที่สงบสงัดวิเวกอย่างคูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านกระทำกันหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่เชียงใหม่ของเดียวพอถ้าอยู่ร่วมกับหมู่คณะมันก็มีภาร ะ, ะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกั น, บนอบรมสั่งสอนกันจนตัวเองไม่มีเวลาที่จะภาวนาจึต้องทิ้งทุกอย่างไปคูบาอาจารย์ทุกรูป ไปศึกษากับครูอาจารย์เสร็จแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกกันตอนต้นก็ไปศึกษาก่อนว่าการภาวนานี้ทำอย่างไรทำอย่างไรถึงทำให้จิตสงบทาอย่างไรถึงทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาพรู้แล้วก็ต้องไปปฏิบัติต้องไปอยู่คนเดียวเพราะจะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง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 ดี๋ยวก็กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เดี๋ยวก็วตกกกิตกกับเหตุการณ์นั้นวิตกกับเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องของกิเลส ต, ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปฏิบัตนะิถ้าปฏิบัตินี้เราจะไม่มีสติคอยกําจัดมันมันจะห่วงก็หยุดมันพุโทโธพุโทโธไปมันจะกังวลกับพุโทโธพุโทโธไปมันจะคิดปรุงแต่ง เรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุทธโธพุทธโธไปนั่นแหละมันถึงจะก้าวหน้าต้องปฏิบัติกันทุกลมหายใจเข้าออกเลยอย่างพี่พระเจ้าสอนพระ อ, อ น, นุ์ว่าต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกมันถึงจะฆ่ากิเลสได้นั่นกิเลสมันคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะไปหาปัญหานี่ได้ตลอดเวลา พอมันคิดถึงความตายปั๊มนี้กิเลสมันจะหดเลยมัว่าหาเดี๋ยวก็ตายแล้วหาไปทําไมหามาแล้วเอาไปได้หรือเปล่ามีอะไรที่เราหามาแล้วเราเอาไปได้บ้างไม่มีเลยลากยศสรรเสริญลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหากันนี้เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ทำไมไม่เอากันเอทำเนี่ยเป็นของที่เอาไปได้ ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นธรรมที่เร า, เาติดตัวไปได้เป็นธรรมที่ทำให้จิตใจของเราสงบทำเป็นจิตใจทาให้จิตใจของเรามีความสุขเป็นธรรมที่ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้เรากลับไม่สร้างกันไม่ทำกันเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาอย่างอย่างถ่องแท้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 แล้วก็มีภารกิจเช้าเย็ยนไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีน้มแห่งธรรมไว้รักษาใจไม่ให้เหี่ยวเฉาไม่ให้ตกไปในที่ต่ำแต่มันยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ใจนี้เจริญแบบตัวออกมักออกผลขึ้นมาออกพระนิพพานขึ้นมา ทางที่จะให้ใจของเรานี่ออกมรรคออกผลออกนิพพานนี้เราต้องภาวนาต้องติดวิเวกต้องไปปฏิบัติอยู่ตามลําพัง <c oughs> ต่อสู้กับกิเลสทุกลมหายใจเขาออกกิเลสมันจะคอยดึงใจเราไปคิดทางโลกโกรธโงเสมารเราจึงต้องใช้สติทำค่อยดึงมันกลับมาดึงกลับมาไม่ให้มันดึงเราไปทางความโลภความอยาก ความโกรธความหลงใช้พุโทโธพุธโทโธดึงไว้ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธดึงไว้มันจะไม่สามารถที่จะไปโลภไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือไปโกรธกับคนนั้นกับคนนี้ได้หรือไปวิตกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเรามีสติมีพุโทโธดึงมันมาแล้วเราก็พอเรา ม, พรามีพอเรามีเวลานั่งได้เราก็นั่งเลย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 แล้วแต่จะถนัดบางคนก็พุทโทไปอย่างเดียวไม่ได้ดูไม่ได้ดูลมบางคนก็ดูลมอย่างเดียวไม่ได้พุทธโทรบางคนก็ใช้สองอย่างปนกันพุทเข้าโทออกนี่ได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะถนัดข้อสำคัญก็อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้ไปโลภไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าให้ไปวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้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 หินทับหญ้าไว้หญ้าไม่ตายแต่หญาก็ไม่งอกงอกไม่ได้แต่เวลายกหินออกปั๊บเดี๋ยวหญ้า ก, ก็งอกขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้หญ้าตายก็ต้องถอนรากโคนมันถอนรากมันออกมาจากดินถ้าถอนรากมันแล้วมันก็ตายมันจะไม่งอกอีกต่อไปรากเง้าของกิเลสตัณหาก็คือความหลงนี่เอง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 ไม่ทำตามความโลภทำไม่ทำตามความอยา ก, กตา่างอันนี้เราต้องใช้ปัญญาถ้าเราอยากจะกำจัดกิเลสตัณหาให้มันตายอย่างถาวรสมาธิหรือสตินี้กดเอาไว้เท่านั้นเองพอออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้คิดปรุงแต่งปั๊บมันก็จะคิดไปกิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีเดี๋ยวก็โลภอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมา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 ทำแล้วกลับใช้ได้ไม่กี่วันเอากับเสียอีกแล้วเดี๋ยวอย่างนี้มันก็ปวดหัวแล้วแล้วถ้าหายไปหรือท่าพังไปก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่คือวิธีใช้ปัญญาให้เห็นของทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยง ม, มันทำให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจเพราะเราจะต้องคอยมาซ่อมมาดูแลรักษามัน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 อยากมีนั่นมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ความอยากต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้จิตของเราต้องไปาหาสิ่งต่างๆมาการจะหาสิ่งต่างๆได้ก็ต้องมีร่างกายพอ ร, ร่างกายนี้ไม่มีร่างกายนี้ตายไปจิตก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จิตก็เลยไปเกิดใหม่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 พ่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากมันต้องก้าวไปทีละก้าวอาจาหนึงสอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของความดีจะทำให้เรามีความเสียสล ะ, ะจะมีทำให้เราอยากจะทำความดีกันอพอเรามีความอยากทำความดีมีฉันทะวิริยะเราก็จะ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 ในการหมั่นจเจริญสติพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาพอใจมีอุเบกขาแล้วก็จะมีกําลังไว้เอามาสู้กับกิเลสได้ก็ดึงใจมาคิดทางไตรลักษณ์อยากได้อะไรก็ดูเสว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกนะันแน่ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกกับสิ่งที่เราได้ขณะที่อยากได้ก็ใจก็วุ่นวายแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเะนั้นพออยากปั๊บต้องหยุดมันเลยถ้าอยากจะให้ใจเราสงบเหมือนเดิมอันนี้จะเห็นชัดเวลาจิตมีสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากนี้ใจมันจะกระเพิ่มขึ้นมามันจะรู้ว่าอ๋อใจเราเริ่มวุ่นวาแล้วเริ่มวิตกเริ่มกังวลแล้วอพอเราหยุดความอยากปั๊บ ความหวอนไหวความ ว, ว, วามมิตกกังวลกวังวลกวายต่างๆก็จะหายไปพอความสงบกลับมาความสุขก็กลับมาอเอาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าอย่าไปเอาความสุขที่ได้จากลวดวลาบยศเสริญจากรูปเสียงเก่งมดเพราะมันเป็นของชั่วคราวในที่สุดมันก็ต้องหมดไปเอดูคนตายเป็นตัวอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่กคยมีอยู่นี่หมดไปละแม้แต่ชื่อแม้แต่ตำแหน่งก็ยังหมดไปเดี๋ยวนี้นายหลวงเราก็เรียกนายหลวงไม่ได้แล้วต้องเรียกอีกแบบหนึ่งนะเพอาะเดียนี้มีนายหลวงคนใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าจะเรียกนายหลวงคนเก่าก็ต้องเรียกว่าคนไหนต้องบอกชื่อจะไปเรียกนายหลวงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว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 มันเป็นจิตเหมือนกันมันเป็นตัวจิตที่มีความคิดปรุงแต่งตัวรู้ตัวคิดแต่ตอนนี้มันถูกอำนาจของกิเลสตัณหาดึงไปให้ไปเวียนว่ายตายเกิดให้ไปผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเราจึงต้องเอาธรรมเข้ามาดึงมันกลับมาดึงให้มันกลับเข้าไปสู่ความสงบสู่ความความสุข นี่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่รู้กันวิธีที่จะทำให้ใจเราสงบวิธีที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆตอนนี้เราโชคดีได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระอริยสงสาวกต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆการขอให้เราศึกษากันแล้วพยานปฏิบัติกันแล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผล ที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรเราเป็นตำรวจนีแล้วจับคนร้ายหรืบาปไหมครับ ไ, ไ, ไม่บาปเข้าเข้าแต่ไม่บาปไม่ได้ไปฆ่าเขาแต่ถ้าฆ่ามันบาปใช่ไหมครับบาปแต่มันบาปน้อยบาปไม่เหมือนกับไป ไปป่นเขาแล้วไปจี้ไปฆ่าคนที่เราไปป้นไปจี้เราถือว่าเราทําตามหน้าที่มั้ยเออมันทำตามหน้าที่แต่มันก็ยังบาด อ, อยู่ใช่ไหมยังคงมีมอยูออ่ใช่ไหมแต่มันไม่ร้ายแรงเหมือนกับการที่เราไปออไปป้นไปจี้แล้วไปฆ่าคน อ, อื่นอย่างนี้อย่างนี้นมันร้ายแรงกว่าอันนี้เราทําหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของสังคมก็แบ่งกันคนพวกเราที่เป็นประชาชนจ้างเราก็มีส่วนรับ รับผลบาปอันนี้ด้วยพ่าเราจ้างให้เราในกาเราสั่งให้คุณคนะไปฆ่ายังไงอย่างนั้นก็แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย <c oughs> คนเป็นล้านมาแบ่งกรรมที่เราทำมันก็เลยไม่หนักแต่ถ้าเราทําเพื่อตัวเราคนเดียวนี่มันหนักบางที่าสงสัยว่าเฮ้ยเวลาเราต้องป้องกันตัวอย่างนี้เขาจะยิงเราไมา่หนีดอันนี้ก็บาปมันเป็นกรรมผูกพันกันนะครับก็มันอาจจะจองเวรจองกรรมกันได้ มีใครอยากจะถามอะไรไหมโยนะอยากจะมาขอคำแนะนำให้ปฏิบัติใพ่แบบเหมือนกับถูกช่องทางจากที่ยกคิดเอาเองนะครับเมื่อครั้งก่อนโยมเคยมากราบหลวงพ่อนะก็เล่าถึง การเจอสมาธิให้หลวงพ่อฟังว่าทุกครั้งที่จิตรวมเนี่ยจิตรวมแบบเป็นสมาสมาธิคือเวทนาหายลมหายใจหายผู้โชหายกายหายหรือ แ, แต่จิตเป็นตัวรูก้ก็จะเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในอิริยาบทต่างๆซึ่งติดมาเป็นก็ได้กลับไปบ้านโยมก็พยายามทำตามคบแนะนำของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ ก็พิจารณากายในเพรู้สึกว่าจะถู ก, กจะหลีกตัวเองก็มองเห็นตัวเองเนี่ยตายแล้วจำเป็นอสุภะอสุพางเป็นกระดูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็มีอยู่วันก็นั่งสมาธินั่งสมาธิมันก็เกิดเวทนามากเลยก็บอกจิตก็บอกกับตัวเองว่าเวทนานเนี้ยไม่สนใจหรอกนะเพราะว่า ฉันเคยผ่านเวทนาตายมาแล้วนะวันนี้ฉันจะวิปัสสนาละพอแค่จิตคิดมันก็เป็นอัตโนมัติทนทีก็คือเวทนาหายกายจิตหาย เ, เวทนาหายลมหายใจหายผู้ทโทรหายหรือแต่จิตที่เป็นตัวรู้ก็เห็นตัวเองอนอนตายนอนตายก็มองไปสภาพศพก็เป็นไปตามสภาพนะเจ้าค่ะ จนกระทั่งมันอืดแล้วก็ท้องแตกไส้พงไหลออกมามีน้ำเลือดน้ำหนองมีนอนขึ้นขนาดนั้นจิตก็บอกตัวเองว่าเราเดินไปใกล้ๆสิลองไปดูสิเป็นยังไงโยมก็เดินในจิตบอกนะเจ้าคะโยมก็เดินไปดูก็เห็นตัวเองก็มองไปไเรื่อยๆก็เห็นทุกอย่างที่เป็นที่เห็นอยู่นะเจ้าค่ะพอมาถึงคอก็มองคอ พอมาถึงใบหน้าโยมก็มองใบหน้าก็บอกแม่นี่เราเหรือหน้าตาเป็นอย่างนี้ในตาสองข้างอะ่กะก็เด็นไปคนละทิศละทานเลยนะเจา้าค่ะโยมก็บอกมองเสร็จก็พิจารณาขึ้นไปเรื่อยๆผ่านจมูกจนมาถึงไลาผมพอถึงไลาผมมันเหมือนที่อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอก ว, ว่ามันเร็วเหมือนงูแลบลิ้นอะ่ะผมนี่มันก็หลุดไปทั้ง ศีรษะเนื้อในลำตัวก็หลุดออกไปหมดหลุดแบบไม่เหลือซากหายหมดเลยแต่โครงล่างเป็นกระดูกนอนขาวอยู่อย่างนั้นสแะละ้โยมก็เลยจุกอัดกระดูกเนี่ยของเราเองเนี่ยมาดูแล้วก็พิจารณาในกระดูกว่ามันยังมีน้ําเลือดน้ําหนองหรืออะไรโยมก็พยายามทําตามวันนั้นก็มีทําสมาธิพิจารณาอเออพอพิจารณาปุ๊บเนี่ย กองกระดูกนั่นอยู่ๆก็หายไปหายไปแล้ววิ่งกลับก็ไปชงเครื่องดื่มที่เป็นเหมือนเจลลี่อย่างเงี้ยการเวลาผ่านไปเนี่ยกระดูกมันย้อยถ่านก็เกิดมีลมพา ย, ยุพัดพัดก็ละอองเท่ากระดูกปิวไปปิวไปฝนตกมาชะล้างกระดูกจนสะอาดไปหมดอันนั้นก็ไปอยู่ในดินหมดละ นี่คือสิ่งที่โยมคิดของโยมเองว่าอย่างนี้จะเป็นแนวทางที่ถูกไหมที่ว่าจะพิจารณาให้เป็นธาตุน้ำลมไฟแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากก็มอง ค, คิดๆไปอย่างนั้นอยู่จะได้โอกาสวันนี้ก็จะมากับเรียนว่ามันจะมีแนวทางอันไหนที่จะชี้ให้โยมปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนะเจ้าค่ะก็นั่น แ, แหละถูกแล้ว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 ก็ถ้าพูดถึงโครงกระดูกตัวเราเองอเดี๋ยวนี้ร่างกายเราตอนนี้ร่างกายตัวเราเองเราก็ยังเหมือนกับยังรักยังหโหยก็ยังก็ต้องต้องดูว่าเป็นดินน้ํำลมไฟมันจะต้องกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปไม่ว่าจะดูแลดีขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ํำลมไฟเป็นอย่างที่โยมเห็นในสมาธินั่นแหละนั่น คือปัญหาคืออย่าให้ไปทุกข์กับร่างกายในขณะที่เรายังมีมีมันอยู่ดูแลมันไปเลี้ยงมันไปตามมัตรภาพแต่อย่าไปทุกข์กับมันถ้าไม่มีกินก็อย่าไปทุกข์กับมันไม่มียารัากษารักษาไม่หายก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันตอบตอนนี้เราวิต ก, กังวลกับร่างกายล้วหรือเปล่าเวลาใดที่เรายัางวิตกกังวลอยู่ก็แสดงว่าเราสอบตกนะครับ ก, ก็เลยตอนนี้เลย อันนี้ถ้าเกิดมีงูหล่นลงมาตรงนี้จะกร ะ, ะกระโดดวิ่งขยับกันหรือเปล่าหรือว่าเออช่างมันมันก็แค่ดินน้ำลมไฟอันน่ะเกิดเป้าหมาเขาจะมาเอาร่างกายเราไปข้างเขาปล่อยเข า, เาไปเลย คือไม่ให้ห่วงกายคือก็กายกายหยาบนี่ใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละกายที่เราอยู่นี่แหละเราเรายังจะต้องไปเพ่งกายที่เป็นโครงกระดูกอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าถวายไหมก็กายนั่นก็กายเดียวกับกายนี้ไม่ใช่เลยกายโยกนั่นสิมันก็เหมือนกันทีนี้เราไปปล่อยกายนู้นแต่ไม่ปล่อยกายนี้เรามาปล่อยกายนี้สิต้องไม่ปล่อยกายปัจจุบันนั่อใช่ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือตัวปัจจุบันนี้ไอ้ตัวอดีตมันผ่านไปแล้ว อันนั้นเป็นตัวตุ๊กตาให้เราซ้อมอใถ้าเราทําการบ้า น, นแต่ตัวของจริงเนี่ยตัวนี้ตัวที่เราอยู่กับมันในขณะนี้คือตัวที่เรารักเราห่วงเนี่ยอแต่ตรงนี้คือมันอยู่ที่จิตจิตก็ต้องคิดอยู่เรื่ อ, ๆอยๆไงไม่ใช่คิดแต่เฉพาะอยู่ในสมาธิคิดตลอดเวลาเลยเนี่ย<ม>ไปเดินไปไหนมาไหนก็บอกกาลังพาโครงกระดูกไปกําลังพาดินน้ํำลมไฟไป ไม่ได้พาตัวเราของเราไปเราต้องแก้วความหมายความเห็นให้หใหม่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นแค่โครงกระดูกแค่เป็นอวัยวะสามสิบสองส่วนแค่เป็นดินน้ํำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟไปใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่านั่นแหละเราจะไปต้องวอนกับมันทําไมฉั้นโครงกระดูกตอนนี้โยมปล่อยเลยนะคือให้ปล่อยทุกอย่างปล่อยร่างกายนี้ ร่างกายที่กําลังคุยกันอยู่เนี้ยถ้าเกิดมันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไปเลยไม่ต้องไปทุกข์กับมันอืมถ้าเผือพูดถึงตัวเองจะตายก็คิดอยู่เสมอว่าพร้อมตายนะเจ้าค่ะคล้ายๆกับว่าเราก็ทําบุญให้ทานทําทุกอย่างมาซจนพอใจแล้วอ้ายังหาทางออกที่ถูกต้องไม่ได้ก็เลยต้องมาขาับเรียนถามค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็นี่แหละทางออกที่ถูกต้องก็ต้องปล่อยกายนี้ไอ้ออากายนู้นเป็นกายที่เรา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 นก็ปปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคอ่าก็ถ้าอยากจะวิปัสสนาอยากจะมีปัญญามันก็ปล่อยวางถ้ายังถ้ายังยึดติดมันก็ยังไม่มีปัญญายังไม่เป็นวิปัสสนามันยังเป็นวิปัสสนึกนวยก็เหมือนกับซ้อมชกกระสอบทรายไปก่อนกระสอบทรายมันไม่ต่อยกลับเราก็ไปสู้มันได้เวลาขึ้นเวทีนี้มันไม่ใช่กระสอบทรายมันมันคนคู่ต่อสู้มันก็จะต่อยเรากลับน กูต่อสู้ของเรากิเลสมันจะยึดไอ้ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันจะรักเจ้าหวงเราต้องมาตัดความรักความหวงความยึดความถือว่าเป็นตัวเราของเราตัดไม่ได้อาตัดตรงนี้ตัดในปัจจุบันทำทั้งหลายมันอยู่ในปัจจุบันเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดในขณะเป็นปัจในปัจจุบันนี้จะตายไม่ได้ตายวันนี้ไอ้วันพรุ่งนี้หรือเมื่อเรนี้ หรือเมื่อวานนี้มันตายเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะตายมันมันตายในปัจจุบันนอ่นเหมือนอย่างที่อาจารย์ยกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยมีงูหลุดออาใช่ไหมอันนั้นเราจะหวงกายไหมหรือไม่ยมีความคิดว่าเราจะน่าจะมีความกลัวกระจมากกว่าที่จะเออ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 ต้องไปเจอของจริงเจอความตายกูบาอาจารย์ท่านหนึ่งต้องไปหาความตายกันในป่าในเขาไปหาเสือหาหมีหาสัตว์อะไรต่างๆอย่างท้องปู่ชอบเดินยงกลมเคยอ่านในประวัติที่ลวงตาเขียนนะท่านจะไปพิสูจน์ว่าปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าออกไปจ้าเอ๋กับเสือปั๊บจิตก็วุบเข้าไปข้างในเลยปล่อยปล่อยร่างกายอย่างนี้ แล้วมันมีความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาแบบที่พี่เขาเล่านะฮะกับปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเอามาใช้ในปัจจุบันสิต้องใช้ปัจจุบันอันนั้นให้ปล่อยวางไปแล้วไม่เอาเอาอันนั้นที่เราทําได้เนี่ยเอามาใช้กับปัจ<ช><บ>จุบันอา่ามันก็นเราเหมือนกับเราทําการบ้านแล้วเราการบ้านที่เราทํานี้ไปใช้เวลาเราไปสอบไงแต่ข้อสอบมันก็มาจมันก็เป็นข้อสอบที่เราทําการบ้านกันอยู่นี่แหละ ทดสอบก็คือให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ําลมไฟเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นโครงกระดูกไปเดี๋ยวมันต้องตายไปห้ามมันไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะเป็นให้มันเป็นไปเท่านั้นเองวิจัยที่ยอมรับกับใจที่ไม่ยอมรับเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่ครอาจารย์ตอนนั้นถ้ารับมันก็สงบถ้าไม่รับมันก็ทุกข์ก็จะดินะด้นหนีถ้าวิ่งได้ก็วิ่งกระโจนได้กระโจนเลยตัวใหญ่วิ่ง หลวงพอจะใช่อย่างนี้ยอังต้องทําสมาธิอยู่เสมอเสมอใช่ไหมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาข้อสอบจนกว่าเราจะไปเจอข้อสอบต้องไปอยู่คนเดียวในป่าหรือสักคืนน้องคืนเลยอูกไหมครับถูกมีโอกาสจะมาะที่ไหนกลัวก็ไปที่นั่นแหละไปแล้วดูว่ามันจะมันหายกลัวไหมถ้าหายกลัวมันก็ปล่อยแสดงว่ามันปล่อยแล้วยังกลัวอยู่มันก็แสดงมันยังไม่ปล่อย จารฮะคือโยมเนี่ยเคยไปยที่บ้านตามีอยู่คืนหนึ่งที่ไปนอนที่บ้านตาแล้วก็คืนนั้นฝนตกหนักว่าผาแล้วก็โยมก็เหมือนกับขี้เกียจก็นอนไม่ได้นั่งสมาธิคือนั่งอยู่สักพักหนึงแล้วก็นอนในขณะที่โยมนอนเนี่ยโยมก็ได้ยินเสียงคนเดินบนจิตติปังปังในขณะที่คนที่นอนด้วยกันเน่ยเขาก็่ได้ยินเลย แล้วโงก็ได้ยินเสียงต้นไม้เนี่ยเหมือนถูกฟ้าผ่าผ่าเป็นซี่ปัดแยกออกจากกันเลยในความรู้สึกตอนนั้นคือมความกลัวมากคือกลัวว่าเอ๊ะทำไมเราได้ยินอยู่คนเดียวแต่ถามว่าปรุงแต่งไหมโยงคิดว่าโยงไม่น่าจะปรงแต่งนะมันมันปรุงแต่งโดยที่เราไม่คิดว่าเราปรงแต่งมันลึกไงมันลึกมันกลายเป็นเหมือนนิมิตโผล่ให้เราเห็นไป แต่ความจริงความจริงมันมีต้นไม้ผ่าที่ไหนบ้างไม่มีนั่นเลยก็มันก็อยู่ในจิตเราแล้วเสียงที่คนเดินเนี่ยก็เหมือนกันก็อยู่ในจิตเราทั้งนั้นแหละเหมือนเรานอนหลับฝันเนี่ยแล้วเราฝันมันก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆหน่ดยที่ไม่ต้องลืมตามันก็เป็นเหมือนความฝันเราเรียกว่านิมิตต่างๆแล้วถ้าฝันนี่เราไม่สามารถจะนึกได้ถูกไหมคะท่านอาจารย์ว่าเราจะฝันอะไรคือเรานึกไม่ได้แต่จิตมันนึกให้เราแทนไงอัตโนมัติไงเหมือนมันรดเกียร์ออโต้มันเปลี่ยนเกียร์ให้เรา เราไม่ต้องไปสั่งให้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนให้เราเองเวลานอนหลับนี่จิตมันปรุงแต่งต่ปรุงแต่งอะไรต่างๆขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้สั่งมันความฝันที่ก็มาจากความคิดอ่าความปรุงแต่งของจิตโดยที่เราไม่ได้สั่งให้มันปรุงแต่มันปรุงของมันไปตามตามอำนาจของบุญกรรมที่เราทําไว้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําไว้เวลาเราไม่ใช่ความจริง บางทีก็ของเก่าบางทีก็ของจริงก็มีมันไม่แ น, น่ก็ต้อง<ม>พิสูจน์ดูไงฝันเห็นเลขก็ไปแทงหวยดูเลย <c oughs> ถ้ามันออกก็สแสดงว่ามันของจริงอ <c oughs> ถ้ามันไม่ถูกก็สแสดงว่าไม่ใช่ของจริงฝ <c oughs> ันว่าลืมข้าวของไว้ตรงนู้นตรงนี้ไปเจอเขา้าวอันนี้ก็เป็นของจริงได้ไม่ใช่เป็นความคิดที่จําได้ว่าไปวางตรงไหนล่ะฮะ ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คุณเมื่อตอนนั้นคุณจําไม่ได้แล้วตอนฝันจําได้ก็แสดงว่ามันก็มันอาจจะเป็นความจำแฝงแต่ถ้าไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันไปเจออไปเจอตามที่ฝันก็ได้ดังนั้นก็ไม่รู้แหละมันก็อย่าไปถือเรื่องนิมิตให้เป็นสาระมากเกินไปก็แล้วกันมันอาจจะจริงอาจจะไม่จริงแต่จะจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่มาตัดมันไม่มาดับความทุกข์ดับกิเลสของเราได้ั้นเราไม่ต้องไป สนใจมันเนี่ยถ้าเราเวลานั่งสมาธิแล้วไปเจอพวกนี้มิตาต่างๆนอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นโอเบกขาแล้วอย่างเห็นแล้วมันไม่ไปนั่นจ้ะก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาหนึ่งใจกลับมาใช้พุทโธพุทโธเดียวมันก็หายไปหมดใช้สติ <c oughs> พุทโธหนึ่งกลับมาหรือสติมีกําลัง มากยุ้ยก็ให้มันหยุดไปได้กําหนดปุ๊บ ม, มันก็หยุดปั๊บไปเลยที่พูดโธแล้วแผลไม่ตาแล้วก็ยังไม่ไปอ่ะเดอ๋ยมวมาเคยเจอที่บ้านตา่า ก, ก็พูดโธรน้อยไปก็พูดโธต่อไปอพูดโธไปจนกระทั่งมันเหมือนกินยากินเม็ดหนึ่งไม่หายก็กินอีกเม็ดหนึ่งกินอีกเม็ดกินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายเองอพูดโทรครั้งเดียวไม่หายาก็อ่าบางทีก็ต้องใช้เวลาหน่อยะ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 จิตเรารู้สึกว่าจะดิ้นรนกับไเวทนาตรงนี้พราะมันมีความอยากไงเพราะเราอยากจะปล่อยมันอยากหายอยากนี้จากมันไปแต่เราก็พยายามจะดูมันนะก็อย่าไปอยากให้ดูเฉยๆแต่ดูแล้วมันปรุงไงคะก็ใช้พุทโธหยุดมันเนี่ยดูได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนั่นมันก็จะไม่ปรุงแล้วอย่างบางบางบางขณะถ้านั่งสมาธิเริ่มนั่งเนี่ยพอเริ่มกําหนดจิตหรือว่ากําหนดลมอะไรเงี้ย มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันบีบคั้นอ่ะพี่เลนมันต่อสู้ไงมันก็เลยบีบคั้นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็สู้กับมันไปใจขันติก็ดูกันไปอ่าใช่อย่าไปสนใจมันจะบีบก็ปล่อยมันบีบไปแล้วก็พูดโทของเราไปแล้วก็ภาวนาของเราไปเราคั้งนี่ต้องเป็นเกินครึ่งชั่วโมงอ่านั่นแหละกว่าจะชนะกันมึงมืนชักกัเยอะกันแล้วเหมือนกับเราจะท้อจะถอยอยู่เลยอ่าก็ต้องตามที่หลวงตาบอกสู้ไม่ถอย ท่านรู้วเราจะชอบถอยดังนั้นบอกสู้ไม่ถอยมันมันสู้สู้ถอยถอยเราถึงไม่เป็นเหมือนน้องตาถ้าเราสู้ไม่ถอยเหมือนน้องตาป่านนี้ล้วก็เป็นเหมือนน้องตามันเป็นบางครั้งเพราั้นต้องสู้ไม่ถอยถ้าถอยก็ต้องสู้ใหม่แต่จะมีอาการอย่างนี้บ่อยสติมันจะไม่ค่อยมีกําลังสู้เรอเรไม่กล้าหืมเราเราขี้เกียจพูดโทกันเราขี้เกียจตั้งสติกัน ชอบปล่อยให้มันคิดไปหากิเลสกันอาจารย์แล้วถ้าอย่างเราไม่กําหนดอะไรเลยก็รู้สึกว่าเราเราไม่ไม่กําหนดอะไรเลยเรานั่งแล้วมือก็บัดเฉยๆถ้ามันเฉยๆไม่ปรุงแต่งก็ไม่ต้องกําหนดอะไรก็ได้ก็ได้ใช่ไหมอ่ก็หมายถึงว่ามันก็อยู่ในให้มันนิ่งถ้ามันนิ่งมันสงบได้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ปล่อยมันนิ่งสงบไปแต่นี้ก็ดีกว่าแล้วก็แล้ว่าไหมที่ว่าดีกว่าที่เราจะต้องมาใช้ บริกรรมอะไรไหมฮะอ่าถ้ามันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมก็ไม่จําเป็นต้องใช่ใช่ถ้ามันไม่นิ่งถึงต้องใช้เหมือนเหมือนลิงถ้ามันไม่นิ่งก็ตีมันเลยตีมันเปเรื่อยเดี๋ยวมันเจ็บมันก็หยุดมันก็นิ่งเองแต่ถ้ามันอยู่นิ่งๆเราก็ไม่ต้องไปตีมันใช่ไหมจริงนะอาจารย์ท่าเธอเลยค่ะในกรณีของพี่ก็ค่ะถ้าเกิว่าพอได้รวมนมไปแล้วเนี่ยการความกลัวหรือการรวมมันจะ เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอาการนั้นอีกใช่ไหมคะมก็จะไม่มีความกลัวที่จะตายถ้ารวมลงแล้วก็วางถ้าเรา<ม>ถ้าเรารู้ว่าการวางนี่มันทำให้เราหายกลัวทำให้เราสบายเราก็ไม่ต่อไปเราก็ไม่กลัวถ้าเรากลัวแล้วก็แล้วก็ทำให้มันรวมใหม่ทำให้มันปล่อยใหม่ <c oughs> สอนไว้ว่าอย่าไปยึดไปติดยึดติดแล้วมันทุกข์ปล่อยแล้วมันจะสบาย พอยอมปั๊บมันก็จะหายกลัวยอมตายปั๊บมันก็จะหายกลัวพอคิดจะยึดติดปั๊บบอกยอมดีกว่าพอยอมปั๊บมันก็หายกลัวพอจะกลัวปั๊บก็ยอมเลยต่อไปมันจะมันจะสู้กันแบบนั้นพอไปตกใจไปจะไปกลัวอะไรปั๊บมันบอกยอมดีกว่ายอมตายยอมปั๊บมันก็หายแล้วมันจะไม่มันจะไม่มีความอยากที่จะทําให้จิตใจเรากังวลกวาด วิธีที่จะปล่อยวางให้ได้มีวิชินไหมคะหลวงพ่อเราก็ต้องไปหาเหตุการณ์ที่จะบังคับให้เราปล่อยเลยใช่ไนะเรามาของเงินโยมหมดเนื้อหมดตัวโยมจะให้เราไม <c oughs> รหมล่ะขอเบิจากเงินที่โยมมีเตอนนี้ยก็ทําใจได้โยมเอาเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้แล้วอะยกให้หลวงพ่อไปเลยอาอย่างนี้ก็คือทําได้ไหมใช่ไหมยมทำได้หรือเปล่าเอ อย่างหลวงตาที่ท่านที่ท่านทำไอ้ทองคํานี่ก็เพื่อที่จะมามาทดสอบใจของพวกเราว่าปล่อยได้หรือเปล่าก็ใ <todavía> จไหมเนี่ยที่ท่านบอกว่าเออถวายทองคํากันนะถวายทองคําช่วยชาตนี่ยก็มจริงอ็บายของท่านท่านต้องการให้พวกเราทําข้อสอบกันให้รู้จักบริจาคให้เราเสียสละให้เราปล่อยวางเงินทองกันถ้าจ่ายแต่เคสนี้เนี่ย มีแต่คนไม่มีตังนั่นแหละที่บริจาคคนที่มีตังจริงๆอย่างมีเงินเป็นหมื่นล้านร้อยล้านไม่เห็นเข้ามาให้เราไม่รู้หรอกคนที่ค่ายให้บางทีเขาให้เงียบๆก็มีเราไม่รู้ไม่ได้ยินเลยใช่บางคนก็ไม่ต้องการให้รู้ไงว่ารู้แล้วมันเป็นอันตรายกับเขาให้มากๆคนอื่นรู้เดี๋ยวจะมาขอเขาอใช่เขามีมีมีคนที่เขาให้แบบเงียบๆอยากให้เยอะๆเนี่ยมีอปิดทองหลังพระ เออพวกนี้ยังมีกิเลสอยู่ยังอยากให้หลวงตายัางอยากให้หลวงตารับรู้ว่าหนูทําบุญได้นะห้าร้อบาทใช่ห้าร้อยนี่บอกก็ยังดียัง ด, นะยงดียังดีว่าเขายังให้อก็เริ่มต้นก็อย่างนี้กันทุกคนทําบุญก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราได้ทําบุญเพื่อจนะอยู่ที่ต้องดํารงชีวิตด้วยการใช้เงินเนี่ยมันคนละอย่างนะท่านอาจารย์คือ อย่างที่บอกมันต้องมีปัจจัยสี่ที่มันจะมีมันถ้ามันเกินก็ไม่ต้องอส่วนที่เกินก็ยกก็เอาไปทําบุญไงแต่เหมืนอนอย่างนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ทีนี้ปัจจัยสมมุติเรามีอยู่แค่นี้คํานวณได้เนวันกินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สิบปีคูณก็ไปสิแม่เรื่องนี้ทาไม คิดไม่ได้เป็นนักธนาคารใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ท่านจ๋าไม่ใช่เคสนั้นคือว่าปัจจุปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับนนั่นะถึงบอกให้ออกแค่ปัจจัยสี่ก็ยังก็เป็นความจําเป็นบางส่วนไม่จําเป็นหรอกเราไปจําเป็นของมันเองถ้ามันไม่มีไม่ตายมีมันไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จําเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีเลยเนี่ยก็ดียันน่าไม่ต้องไปไหนจะได้ภาวนาอยู่บ้านภาวนาได้ คนพ่อ 6, คนที่บัตรเลแล้วนใหญ่คือคนที่เขาไม่มีเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกนะท่านอาจารย์กันถึงว่าไม่มีดีกว่าก่อนมาเป็นลูกคนจนนดีกว่าบวชได้ง่าย <c oughs> เป็นลูกคนรวยบวชได้ที่ไหน <c oughs> ใช่ไหมดูครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกคนรวยที่ไหนลูกคนจนมันแต่ถ้ามีมันก็จะง่ายกว่านะท่านอาจารย์ไม่ง่ายหรอกมันก็ติดอยู่มีเงินทองมันจะไปไหน จริงบางครั้งเวลาโยมนั่งแล้วก็เห็นผู้คนเดินไปเดินมาแล้วบางทีมันก็เห็นเป็นแบบโอ้ทาไมโครงกระดูกมันเดินแขวกๆอย่างนี้การจะเห็นอยู่เดียวต้องเห็นตลอดเวลาสลคือมันก็ไม่ตลอดเวลาเลยต้องเห็นตลอดเวลาเห็นป๊อปเห็นใครทีไรก็เห็นโครงกระดูกเขาต้องตีทํำไมเห็นหน้าตาเขาได้ทํำไมเห็นโครงกระดูกเขาไม่ได้มันก็อยู่ที่เดียวกันไม่ใช่เห อาจารย์อย่างนี้ถ้าเราการที่เราเห็นคนอื่นกับเห็นตัวเราเองเนี่ยเหมือนกันเห็นทั้งเขาทั้งเราต้องเห็นเหมือนกันเหมือนกันสาบสองเหมือนกันแปลเอีย่จริงแต่ว่าขั้นขั้นขั้นเปลี่ยนเลยจ้ะเซมเซมเซมซที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยอาจารย์เราไม่ค่อยรู้สึกทุกข์นะแต่เห็นตัวเองมันทุกข์อ่ะ เพราะเรายึดติดของเราไงก็เป็นของเราของคนอื่นมันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่ทุกข์เราไม่ยึดติดไงเราต้องมองร่างกายของเราให้เหมือนของคนอื่นแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์เนี่เราต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตร้องฝึกไปเรื่อยๆความจริงสอนไปเรื่อยๆมันก็ต้องยอมรับชอบสักวันหนึงถ้าไม่ยอมรับก็ทุกข์ถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์เราปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ทุกข์เท่านั้นเอง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 หลวงพ่อคะเวลาอย่างมีน้องเนี่ยการทําสมาธิเนี่ยเดินนอนนั่งได้หมดใช่ไหมคะน้องก็พุทธแล้วก็เห็นเท้ า, ามือแขนกลายเป็นกระดูกไปหมดทีนี้แปลว่าจิตรวมตอนนั้นไหมไม่รวมรอจิตรวมเป็พออะไรจ้ะคะก็ยังเห็นอยู่ถ้ามันรวมไม่ห็นไม่เห็นอะไรจะเห็นเดือแต่ความว่างแห็นแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ถึงจะเรียกว่ารวม มันมันก็มีสติมันมีวิปัสสนามีปัญญาแต่เป็นปัญญาชั่วคราวเป็นปัญญาชั่วคราวใช่ไหมครับมันต้องเห็นตลอดเวลาตอนนี้ก็ต้องเห็นเนี่ยมันต้องเห็นตอนที่มันเกิดกิเลสถึงจะดีจะได้ฆ่ากิเลสได้พอไปเห็นว่ามันสวยงามปั๊บเห็นร่างกายคนนั้นสวยงามปั๊บพอเห็นกระโค้งกระดูเขามันก็จะได้ดับกิเลสได้ไปเห็นตอนที่ไม่ไ ม, ไม่กิเลสไม่โผล่มาก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม มันกินยาตอนที่ไม่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บกินไปทำไมมันต้องกินตอนที่มีโครคภัยไข้เจ็บเวลาละเวลาจิตใจของเราเกิดความอยากขึ้นมามันทุกข์เนี่ยเราต้องเอาปัญญามาดับความอยากอย่างที่สอนเมื่อกี้นี้ถ้าพิปัสนาเกิดโชคราวอย่างหลวงพ่อพ ว, ว่าที่ว่ า, เ, าเดอนแลเห็นคงก็ ต, งตัวเองเป็นคงไปนดูนี่ก็ทำไงต่อก็ต้อเอามานึกอยู่เรื่อยๆให้มันไม่ดื้อไง ให้มันจดจําไว้เหมือนท่องสูตรกูณอย่างนั้นเน่ะพอเวลาจะใช้มันเราจะเราจะได้ใช้มันได้ก็คือจดจําคือให้เป็นเห็นเป็นโครงกระดูกที่เราเห็นเอพอเวลาเราเกิดความกลัวตายเราก็จะได้เห็นว่า อ, อ๋อมันแค่แค่โครงกระดูกที่ตายทั้งตอนนี้เรายังลืมตอนนี้เรายังลืมไปแล้วว่าร่างกายเราเป็นโครงกระดูกพอมันจะพอมันจะตายขึ้นมาก็ตกใจกลัวขึ้นมา แต่ถ้าเรามาบอกว่ามันเป็นแค่โครงกระดูกเดี๋ยวมันก็ต้องผุทางกลายเป็นกลายเป็นดินไป เ, เราก็จะไม่กลัวเราก็จะปล่อยแทนเวลาที่เราปฏิบัติคนเนี่ยเรายังเหมือนทำการบ้านซ้อมอยู่แล้วเราต้องเอามาให้มันฝังอยู่ในใจแล้วมันสูตรคูณพอถึงเวลาจะคิดบัญชีจะได้<ร>ใช้ไ ด, ได้ได้ทันทีเลยเ แต่โยมเอาตัวเองยึดตามคําเทศสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือในองค์มรรคแปดเนี่ยจะยึดสัมมาสมาธิเป็นหลักอ่ะคืออะไรที่เรารู้เราเห็นถ้าเผือไม่ได้เกิดจากสมาธิโยมก็จะเหมือนกับไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นที่เกิดกับสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้คิดเข้าข้างตัวเองเปล่าว่ามันใช่เลยเปนของแท้ ไม่จําเป็นปนมะมันไม่จำเป็นต้องสมาธิฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นของแทนนั่นแนหะฟังธรรมของครูบาอาจารย์นี่มันก็ของแทนนั้นนะ่ะไม่จําเป็นจะต้องออกมาจากสมาธิอย่างเดียวแต่ของจริงที่แท้มันก็อยู่ที่เราถูกไหมครัอาจารย์ของจริงที่แท้ก็คือดับความทุกข์ได้เท่านั้นเองอ่าถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่อาจารย์นั้ น, นยังเรื่องความหลง อันนข้ามหลงนี่บางทีเราไม่รู้เลยว่าเราหลงสิ่งนั้นอเราไม่รู้เลยว่าเราหลงสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นของที่เป็นของจําเป็นสําหรับชีวิตประจาวันั้นงตต้องไปอยู่ออกับกูบาจางานท่านจะได้บอกให้โยนทิ้งไปให้หมดไปอยู่ออกับกูบาลุงตาสมัยก่อนเข้าไปวิทยุก็ไม่ให้เอาเข้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้าเราไม่อยู่ออกับกูบาจางั้นก็คิดว่าเป็นของจําเป็นแต่ท่านบอกไม่ใช่เป็นของจําเป็น พระอยู่กับท่านเขาไม่ให้รับกลิ่นนิมนต์นะถ้าที่อื่นก็บอกกลิ่นนิมน์นี่จําเป็นต้องไปต้องไปอยู่กับคนที่เขารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสอยู่ดีๆเราจะไม่เราไม่มีปัญญาแยกแยะว่าอะไรเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสนะถ้าอดอาหารก็ก็ก็กิเลสมันก็จะว่านี่มันสุดต่งนะแต่ไปอยู่กับท่านอน้า ม, มันเดี๋ยวเดียวมันก็ตายนะอาหารนี่จะรู้สึกตัวนี่คือความรู้ใจใช่เออ น่ารักก็สภานนี้ก็อันนี้ก็เป็นกเกเรเองอะ่ะไม่ได้เป็นธรรมเองอะ่ะให้มั น, นทํามหลงที่ไม่รู้ตัวสกิดเราเลยอคอยสะ ก, กิดเตือนอย่างเดียวเไม่รู้จะไปหาที่ไหนทางใต้ไม่มีแล้วอาจารย์ก็ต้องไปหาทางที่ที่มีของลูกศิษย์น้องปู่เขาทางใต้ไม่มีเลยนะอาจารย์ก็ย้ายที่จะคาด ก, ก็อยู่พอละจังหวัดเอก็ อ, อยู่ที่เราน่ะถ้าเราอยากได้มันไกลขนาดไหนละกบ ก็ไม่ต้องถ้ามีปัจจัยก็เอามาใช้ในการปฏิบัติเช่นอย่าไปใช้กับกิเลสเท่านั้นเองไม่ต้องไปทําบุญถ้าเราทาเป็จะต้องซื้อค่าอาหารของเราเองเรามีเงินทองแล้วก็เก็บออกมาใช้ถ้าไปอยู่วัดแล้วไปช่วยงานในวัดบ้างเนี่ยมันก็มีอาหารฟรีกินอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อกําลังที่จะไปช่วยอย่างนั้นแล้วท่านอาจารย์จะเจ็ดสิบแล้วอ๋อ okay. มันไม่ไม่ต้องทําแบบอืม หักโงงทาไปตามกําลังเขาไม่บังคับเราหรอกเพียงแต่เราแสดงน้ําใจว่าเราได้มีส่วนร่วมเท่านั้นเองละทําตามมรรคาบวัดก็ไม่ได้มาต้องการอะไรก็าไม่เขาต้องการเราดัดความขี้เกียงช่วยกันร้างไปหั่นผักหั่นอะไรก็ทํำกันไปมันก็เป็นแค่เฉพาะกิจแท่นั้นเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปภาวนาได้อาหารก็กินเราก็กินอาหารฟรีของวัดได้อย่างสบายใจไม่รู้สึกว่าเราจะมาอาศัยวัดกิน เนี่ยพระไปบิณฑบาตนี่พระก็ไม่รู้สึกว่าเป็นขอทานไม่ได้อาศัยว่าไปเกาะญาติโยมกินเพราะพระก็ทําตามหน้าที่ใช่เออราก็ทําตามหน้าที่ในวัดของเราก็ช่วยวัดไปถึงเวลาทําภารกิจอะไรช่วยกันกวาดล้างส้วมทําอะไรก็ทําไปก็เป็นการทําหน้าที่ทที่เราาํได้ไดทําไปขอวัดกินไง เราเไม่ต้องล้างถ้วยน้างชามเลยไม่ต้องล้างทั้งถ้วยชายมนันม่นเป็นความคิดไงนั่นแหละกิเลสอย่างเงี้ยมันเป็นความค<อ>ิดจริ ง, ร ง, รงๆที่ลึกๆอยู่ในนั้นเลยอันนี้เรียกว่าความหลงไงใช่ความหลงกิเลสในตัวตนอถือตัวไงแต่ยังเราเป็นนักบวชเนี่ยเราไม่ไม่เราจะไม่มองแบบนั้นเรามองว่าเรามันเป็นหน้าที่มันเป็นการเลี้ยงชีพที่สุจริตที่ทางวัดเขายินดีเขาไม่ได้ ก็ไม่ได้ดูถูกดูแพนพระนเนทุกลูกที่บวชใหม่ๆก็ต้องล้างส่วมกันทั้งนั้นล้างสมล้างกระโถนของครูบาอาจารย์ทำอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจไปในตัวให้ลดมานะทิฏฐิการถือเนื้อถือตัว น, นั้นคือความหลงเหมือนกันใจกิเลส น, นะรมันละเอียดมากเลยถึงหมอต้องไปโยออครูบาอาจารย์ไงไ อ, ไอหลงนี่มนะัน อยู่กับาจารแล้วท่านจะท่านจะรีดไอตัวหลงนี้ออกไปให้หมดเลยเนี่ยราก็ต้องยอมรับใหได้นะเวลาท่านเพียรนั่นแหละต้องตับใจไงต้องทําใจให้ได้ว่าท่านเป็นท่านสั่งสอนเราอย่าไปคิดว่าท่านโกรธเกลียดเราเอาดูถูกดูแคลนเราเรื่องอะไรไม่มีห แ, แต่ท่านใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อรีดไอตัวกิเลส ข, ของเราให้ตัวถือตัวให้มันออกไปเราต้องยอมให้ท่านรีด ถ้าเรายอนท่านรีดก็ไม่เป็นปัญหาเรากลับยไปท่านไม่ด่าเราเลยท่านไม่อะไรเราเลยด่ามากก็ไม่ได้อีกท่านก็ระวังกันท่านก็ดูว่าไอ้คนนี้ด่ารับความด่าได้มากน้อยถ้ามันเบาบางก็อยากจะกลับกันด้วยยังถ้ากลับก็กลับได้ถ้าอยากจะฟังต่อก็ฟังได้นั้นยังมียังไยังไม่อยากอโอเคใครอยากจะมันเป็นหลายพันกี่ร้อยใครอยากกลับก็กลับได้นะใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้เพราะจะมีคําถามจากทางบ้านนะ ตอนนี้ถ่ายทอดสดรู้ไหมเนี่ยไปทั่วโลกเลยเนี่ยอ่าอินเทอร์นเน็ตเนี่ยเฟซบุ๊ o ยูทูบเนี่คนอังกฤษคนเย อ, เอรมันอยู่ที่อเมริกา อ, อเมริกาเนี่ยเขาก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็เขาส่งข้อความเข้ามาเนี่ยไม่รู้แล้วเนี่ยมาที่นี่เดี๋ยวนี้เขาถ่ายทอดสดกันทุกวันเนเ อ, อย่างนี้ไม่ต้องมาก็ได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้ดดดเคยเข้าไหมเฟซบ o ๊กเนี่ยมีไหมไม่ค่อยดูไม่ค่อย เฟซบุ๊กในบ่ายสองโมางอย่างนี้ดูสนได้มีคําถามไหมตามสบายตามสบายได้เคลื่อนทีได้ได้ว่ามาคำถามจาก youtube คําถามจากคุณอารีรัตน์พักหลังนี้โยมนั่งสมาธิแล้วมีอาการหัวใจเต้นแรงจนเต้นรัวๆจนทีคิดว่าร่างกายจะรับรู้รับรู้ไม่ไหวบ่อยครั้ง กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการแบบนี้ดีหรือไม่แล้วสามารถแก้ไขอย่างไรคะคือมันต้องดูว่ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิหรือมันเป็นตลอดเวลาถ้าหัวใจเต้นแรงผิดปกติตลอดเวลาก็ตอก้องไปหาหมอเป็นเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งก็แสดงว่าเป็นกิเลสเวลาอื่นไม่เป็นเวลาเที่ยวเวลาเล่นไม่เป็นพอมานั่งสมาธิเป็นนั่งดูหนังไม่เป็น นั่งเล่นภายไม่เป็นทั้งนี้ก็เรื่องของกิเลสก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันเป็นกิเลสไม่ต้องไปสนใจแล้วก็พูดโทพูดโท้ไปพอจิตมีสติแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามจากเ c e b o o k คำถามจากคุณลับคนที่มักโอ้อวดในกิเลสราบยศวัตถุสิ่งของโดยไม่นึกถึงใจผู้อื่นยิ่งในสื่อโซเชียลทุกวันนี้ยิ่งถือว่าอวดได้มาก แต่ก็ทําร้ายจิตใจคนไปได้มากเช่นกันถือเป็นบาปติดตัวไหมเจ้าคะเพราะเห็นคนคนนั้นมีเรื่องทุกข์ตามมาอยู่เรื่องเมื่องอ๋อไม่หรอกคนที่เจ็บใจนั่นเป็นพวกคนงโง่พอเห็นคนเขาอวดนายก็อิจฉาริษยาเขาอตอนนั้นเองคนฉลาดเขาไม่ไปดีใจกับการโอ้อวดของของคนเพระมันก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้ะเขาจะโอ้อวดก็ไม่โออวดก็เรื่องของเขา แล้วสิ่งที่โอ้วก็ไม่น่าอิจฉาริษยาเพราะมันเป็นมันเป็นของเป็นทุกข์ทั้งนั้นอะราบยศสารเสรรือเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าคนฉลาดเห็นแล้วก็จะไม่ไปเสียอกเสียใจหรือไปรู้สึกอะไรกับการโอร้วดของคนต่างๆอันนี้ก็คนที่ทุกข์ก็เพราะว่าโงา่พอได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อยอกน้อยใจอิดชา้าริษยาขึ้นมามันก็เลยไม่สบายใจกันขึ้นมาอยาน่นเราต้อง มองโลกว่าในโลกนี้มันมีคนหลายระดับหลายแบบด้วยกันคนรวยก็มีคนไม่รวยก็มีฮรวยมากก็มีรวยน้อยก็มีแล้วเขาจะอวดหรือไม่อวดมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามขาไม่ได้ก็ก็ปิดซะก็อย่าไปอ่านซะมันก็หมดเรื่องถ้าอ่านแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปอ่านมันซะก็หมดเรื่องทําไมจะต้องไปอ่านมันทําไมไปอ่านของที่มันทําให้เราไม่สบายใจทําไมใช่อหมแค่นี้ก็ ปัญญาแค่นี้ก็ไม่มีแล้วมันไปกลับไปโทษเขาไปว่าเขาไปมีเรื่องมีราวกับเขาอีกเนีายเรื่องใจเนี่ยทีวก็เป็นความหลงใช่ไหมหลงทั้งนั้นอนะ่ะไม่รู้จักวิธีแ <ลง S 1> ก้ไ ม, ไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจของตนเองก็เมื่อเห็นภาพมันทําให้เราไม่สบายใจก็อย่าไปเห็นมันสิอย่าไปมองมันท่านเองที่มันความอยากนะคะอยากรู้อ่าว่ามาคำถามจากคุณท่าทราย จิตสงบจิตรวมสมาธิแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรบ้างครับก็มไม่เหมือนกันจิตรวมจิตมีสมาธิก็คำเดียวกันก็จะให้รวมก็ให้มีสติการจะมีสติก็ต้องพุโทโธไปทั้งวันคำถามจากคุณกุ้งพระอาจารย์บอกว่าความฝันคือจิตบุงแต่ง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 วันปีใหม่โยมก็ฝันว่าหลวงตาเนะี่ยทำไมหลวงตามาให้ชุ่มโอลเน่าแต่ก็เออเอาหลวงตาให้เอาเอ า, เอาไว้ก่อนแล้วหลวงตาก็มาลูกหัวโยมทิโยมแก้ปริศนาธรรมนี้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้ยังไม่ต้งแก้ท่านก็เคยเล่านิมิตของท่านให้ฟังว่าอังหนึ่งท่านเคยฝันว่าท่านนอนหลับไปท่านฝันว่าท่านลอยไปนะกะะ็ไม่ใช่หาท่านอจารย์มาท่านลอยอยู่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 ท่านเล่ามาตั้งแต่สมัยที่เราอยู่บ้านตาดเมื่อสามสี่สิบปีก่อนท่าอาจารย์อยู่บ้านตาดโทษนะคะท่าอาจารย์อยู่บ้านตาดปีไหนคะึ่งแปดถึงสองหกยมเข้าไปปีสองห้าแต่ไม่เคยเจอไม่เจอแล้วเพราะพระเราจะไม่เกี่ยวข้องกับญาติโยมส่วนใหญ่ตอนนั้นท่านอาจารย์ลพดลอยู่ไหคะอยู่แล้วท่านเข้าไปหลังเราสองปีมั้งแต่หลวงตายังให้ท่านอาจารย์ลพบดลเข้าไปเอาอะไรต่อก็มีพระบางรูปที่ไปรับใช้ท่านโดยตรงไง แต่เรานี่เรารับใช้อย่างอื่นเราทําหน้าที่ส่งหนังสือให้ท่านเราเลยไม่ต้องพบปากกายาโยมเวลาญาติโยมเขียนัเขีนจดหมายามา ไ, มไปขอหนังสือท่านก็จะเอาจดหมายมาให้เราเอาที่อยู่มาแล้วบอกว่าให้ส่งหนังสือเล่มไหนไปแล้วก็ห่อแล้วก็ส่งไปให้เขาอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็เคยส่งหนังสือไปให้โยมนี่ยคงเังื่พราะเรามีลายชื่อทําบัญชีไว้หมดเนี่ยพอาเดี๋ยวท่านจะมาถามเผื่อใครมาขอใหม่จะได้รู้ว่าเคยส่งอะไรไปแล้ว ถ้าส่งมากไปแล้วก็ไม่ให้ส่งต่อเพราะบางทีขอแบบโลภนี่ท่านก็ไม่ให้แต่ถ้าขอเล่มที่ไม่มีท่านถ้าพิจารณาด้วยเหตุผลที่เขขอมาท่านเห็นว่าสมควรนั่นก็ให้ส่งไปแต่ถ้าขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลบางทีท่านก็บอกไม่ให้ส่งไปลต้องทําบัญชีไว้ทาํารายการไว้ว่าคนนี้ชื่อนี้ส่งหนังสือเล่มไหนไปให้บ้างเราจึงไม่ค่อยยุ่งกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติโยมเท่าไหร่ ไม่ได้พบญาติโยมปีตั้งแต่สองไ้าปีบัตรผไม่เคยเห็นท่านจารย์วินาบาตเซก็กลับกุติช้นเซก็กลับกุติไปตั้งแต่ปีสองหจนถึงปับแต่พระอื่นท่านนี้มีเวรมีหน้าที่บางองค์ต้องอยู่ศาลาพระเวระเวเวลาญาติโยมมาแล้หลังจากที่หลวงตาท่านกลับไปพักแล้วบางทีนี่คนมาพระก็จะไปต้อนรับแล้วไปถามเขาว่ามาทําอะไรแล้วก็บอกเวลาว่าเข้าได้หรือยังอะไรทำนองนี้ ญาติโยมก็จะเจาพระเวรกันแต่เราโชคดีเขาไม่จัดเราให้เป็นอยู่เวรเราก็เลยให้ท่านอาจารย์ภาวนาอย่างเดียวจะไปช่วยเขาสร้างบุติท่านก็ไล่เราไปท่านเห็นว่าหนึ่งแล้วก็ทําไม่ได้งานพวกนี้เราไม่เคยทํามาก่อนงานหนักเลยเคยแต่เรียนหนังสือเคยแต่ใช้ปากกาพอจะต้องไปแบกไม้แบกอะไรท่านเห็นเราแบกแล้วท่านก็สงสาร อ, อ่เลยหางานเบาๆให้ทำเพื่อจะได้พระรูปหนื่นเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าอเอารัดเอาเปรียบ ก, กันก็แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่กันไปให้เหมาะกับฐานะของของแต่ละคนเราไม่ได้เป็นลูกชาวนาชาวไร่เราเป็นลูกคนในเมือง <c oughs> มีแต่เรียนหนังสือ <c oughs> เขียนหนังสือ <c oughs> อ่านหนังสือ ไม่เคยแบกข้าวแบกของไม่เคยจับจอบจับเสียงพอให้มาทํางานหนักมันก็ทําแล้วดูก็เคอะคะท่านก็เห็นใจท่านก็เลยเมตตาไล่ไปไม่ให้ทําลยเคยได้ยินว่าหลวงตาไม่ยังไม่ให้ท่านกวาดฝาเลยเกวาดกวาดต้องกวาดทุกนี้หน้านที่ของทุกคนต้องทํำเคยได้ยินมาว่าหลวงตายังไม่ให้น่จางกวาด่าเลยไม่ น, นี้ก็พูดไปเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความจริงต้องกวาด หน้าที่ของพระทุกรูปในวัานนี้ถึงเวลาปัดกวาดั้งปัดกวาดกันทุกคนต้องทํากันทุกคนอันนี้คงจะผลปล่อยข่าวให้เสียหายมากกว่าไม่ใช่เสียหาย <S <S ชื่นชมไม่สใช่เขาชื่ น, ช, นม ช, ชมว่าท่าจารย์ภาวนานดีแล้วเวลาอดอาหารทุกรูปไม่ใช่เฉพาะเราองไหนถ้าอดอาหารท่านบอกไม่ต้องออกมายุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะให้อยู่ที่กุติให้ทําเฉพาะที่กุติของตัวเองก็พอ ต้องการปีกวิเวกไม่ต้องการที่จะไปคุกคีไปสัมผัส ร, รับรู้ไปคุยกันอะไรท่านอาจารย์อยู่ปีสองหนึ่งปเคยเจอท่านอาจารย์สุทินไหมเจอเจอท่านสุทินก็เจอท่านก็ไปอยู่ปักใต้ไมเ่เห็นใช่ไหมท่านมรณาภากรามรณะภากร์ท่านไปอยู่อีโปโเ้เจ อ, เจอ ท, ท่านสุทินท่านท่านคาดก็เจอ uh, ท่านอ า, านจารย์คาดก็เจอท่านอาจารย์สุทรรมท่านวันชัยท่านน้อยท่านอ เย อ, อะมดนะท่านปาฝรั่ก็ท่านเอียนท่านเด็กท่านปัญญาท่านเชอรี่ท่านอาจารย์อินทวายหลวงปู่ลีหนวงปู่นี่ก็ยังอยู่สมัยที่เราเข้าไปหลวงปู่มันมีหลวงปู่ดีท่านไป ไ, ปไปมามาเข้าเข้เอาออกออาจารย์เพียนไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านก็ไปเยี่ยมหลวงตาไปเอากล้วยเอาอะไรไปของไปถวายหลวงตาตั้งวัดก็หาของอย่างอื่นตอบแทนกันไปส่งกันไปส่งกันมา อาจารย์สิงห์ทองก็ไปอาจารย์สิงห์ทองท่านก็สรรมนั้นยังอยู่พระอาจารย์สุภัฒนก็ยังอยู่ใช่ใช่พระอาจารย์สุพัฒน์ท่านไปเสียชีวิตทั้งสององค์ที่ตกเครื่อง <ตก S 1> บินแต่รุ่นนั้นตกเครื่องบินหลท่านนะลูกหลวงตาก็เขานด้หมดไปแต่ลวงตาท่านไม่ได้รับอะไไม่ได้ไปหลวงตาท่านรู้ ว, ว่าท่านไม่ต้องไปม <laughs> ีอีกไหมคําถาม เลืองมัใกล้จะหมดนะเอาสักอีกสองคำถามวันลกันเหนื่อยแลนะ้วคำถามจากคุณภูริผมไปภาวนากลางป่าบนเขาวัดป่าเป็นดงงูจงอางตอนดึกๆเถอนอนปรากฏว่า ง, งูจงอางตัวใหญ่มาปรากฏต่อหน้าขู่ฟอฟอผมตกใจกลัวตายมากพอได้สติก็บริกรรมพุทโธพุทโธถียิบจนกระทั่งลงหายใจละเอียดเป็นสมาธิจิตรวมก็เลยปล่อยกาย ให้งูว่าถ้าจะเอาผมไปผมก็พร้อมในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกกลัวงูแต่กับเมตามงูหากมีกรรมต่อกันก็จะเอาหสิกรรมให้กันสักพักใหญ่งูก็เลื้อยจากไปผมก็ภาวนาต่อไม่มีความรู้สึกกลัวตายเรียนถามว่าเป็นเพราะกำลังสมาธิหรือปัญญาที่ไม่กลัวตายในขณะจิตรวมกับตอนนอนอมีสติไงสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป พอจิตสงบแล้วมันก็หายกลัวนี่แหละเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายชอบไปอยู่ที่หน้ากลัวกันเพราะมันจะบังคับให้เราภาวนา <c oughs> อพอกลัวอะไรปั๊บมันจะพุทโธพุทโธเลยมันจะไม่ไป <c oughs> คิดถึงอะไรแล้วพอมันพุทโธแบบจริงๆริงจังๆไม่กี่นาทีจิตก็สงบไดนนน้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องไปหาที่น่ากลัวภาวนากันพอเวลามันกลัวแล้วจิตมันจะไม่มันจะแบบปล่อยให้คิดเลอะเทอะไม่ได้แล้ว มันจะควบคุมความคิดอาจารย์นะอย่าเท่นความกลัวตรงที่อาจารย์พูดถึงนี้ถ้าหากว่าเราผ่านความกลัวตรงนี้ได้นี้จิตใจเราจะมีกําลังมากเลยมากมันจะหายกลัวแล้วมันจะไม่กลัวแล้ต่อไปมันก็จะไม่กลัวใช่เพราะมันรู้จักวิธีแก้ความกลัวได้แล้วพระพวกมัต้องแขวนได้ไ้มครับอาจารย์พระพวพระพวกตุขุขอะไรก็ไม่ต้องแขวนได้ตอนพระเขาพรจริงก็ไม่แขวนแล้วพระก็เป็นพระก็เป็นพระอยู่แล้วจะแบอะไรมาแขวนสิครับผมสงสัยมาเลยแล้วบางทีว่า พวกตะกุดพวกเหรียญพวกอะไรมันมีภาพมันไม่มีหรอกเป็นเพียงแต่อุบายเท่านั้นเองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คิดถึงพุทธโธเวลากลัวให้คิดถึงพุทธโธไ้อเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ